ไม่ต้องถึงกับดิ้นหลนนะบางคนเขามีกินก็จริงนะแต่ว่าเขาต้องดิ้นหลนมากทำงานวันละนะสิบกว่าชั่วโมงบางทีก็ยี่ิบชั่วโมงก็มีนะปากกัดตีนถีบให้เรานีนะ้มีกินแม้จะไม่ครบสามมื้อนะแต่ว่าก็ไม่หิวโหวยนะไม่ใช่เพราะว่าขาดแคลนนะถึงไม่มีกินครบสามมื้อนะแต่เพราะว่าเราต้องการขัดเกลา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 มันก็มีอายุนะมันมีวันหมดอายุนะเรีว e านะถ้าเป็นยาก็เรียกเอ็ก x ์ปถ้าเป็นนมเปี้ยก็เหมือนกันก็เอ็กซ์ปนะโชคเราก็เหมือนกันนะมันก็จะมีวันหมดอายุบัน่ออายุยังไงนกะ็ ค, คือตายนะอันนั้นเรก็เรียกว่ า, าสิ้นบุญ น, นะจริงๆโชคที่เราที่ทำให้เรามีชีวิต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 เพราะว่าท่านได้ใช้ช่วงเวลาที่ยังทำอะไรได้เนี่ยแม้พิกาเนี่ยก็ยังพลิกมือได้พลิกมือไปมานะพอได้ปฏิบัติตามคมแนะนาของหลวงพ่อคำเขียนนะทำด้วยความตั้งใจนะไม่ถึงเดือนก็เห็นผลนะก็สามารถที่จ ะ, ะเห็นความจริงว่าอ๋อไอ้ที่ทุกเนี่ยมันเป็นกายทุกมันไม่ใช่เราทุกมันไม่ใช่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 นั่นหมายความว่ามันเอื้อนะมันเป็นโอกาสที่เหมาะสําหรับการปฏิบัติธรรมคําว่าสบายเนี่ยภาษาบาลีก็คือสบายะสบายเป็นภาษาไทยนะั้นมาจากภาษาบาลีว่าสบายะสบายะเนี่ยนะมันหมายถึงว่าสิ่งที่เกื้อกูลสําหรับการปฏิบัติคนส่วนใหญ่เวลาสบายนะก็ก็เพลิดเพลินนะ ในความสบายนะั้นเรียกว่านั่งเล่นนอนเล่นนะคนไทยเวลาพูดถึงคำว่าสบายเนี่ยมันจะหมายถึงว่าเอออยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องออไม่ต้องขวนขวายอะไรแต่ว่าสัปปายะในภาษา บ, บาลีมันแปลว่าสิ่งที่เกื้อนหนุนนะสำหรับการปฏิบัติธรรมถ้าไม่ทำอะไรเลยก็ไม่เรียกว่าสัปปายะนะนั้นะนะสัปปายะเนี่ยที่นี่ก็มีอยู่ไม่น้อยนะ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 สวยพระชาเป็นพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์คือผู้ที่ยไม่ตัดสรู้เนี่ยนะยังเป็นหนุ่มอยู่นะชื่อว่าสุชาตานะสาตาะสุชาติหรือสุชาติก็มีช่วงหนึ่งนะพ่อเนี่ยนะพ่อเนี่ยสูญเสียผู้บังเกิดเกล้าเนะียก็คือปู่ของสุชาตะเนี่ยพ่อนี่ผูกพันกับผู้เป็นบิดามากนะ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 ถ้าหากว่าถ้าหากว่ามันไม่สามารถจะกินหญ้าได้เนี่ยนะแล้วปูล่ะนะปูเนี่ยนะไม่เหลือแม้กระทั่งล่างแล้วอยู่อยู่ในสถูปเรียบร้อยแล้วแล้วทำไมพ่อถึงคล่ําครวนนะเหมือนกับว่าอยากจะให้เขาฟื้นคืนขึ้นมาอย่างนี้ไม่ใช่คนสิ้นคิดเหรอยิ่งกว่าสิ้นคิดอีกนะพูดแรงมากนะ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 แล้วก็บอกว่าเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ดาก่าด่าก้อนหินว่าทำไมมันหนักทำไมมันทำไมมันหนักทไมมันใหญ่อย่างนั้นนะี่อันนี้ก็ไม่ต่างจากคนหลงนะเพราะว่าถ้ามันหนักจริงเนี่ยไปแบกมันทำไมไนะอ้ที่ผู้คนต่างๆเนี่ยทุกนะแล้วทุกเพราะว่าปัญหามันเยอะบนว่าปัญหามันเยอะภาระมาก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 นะบางทีเราการที่เราเห็นสีหน้าของคนอื่นเนี่ยหรือปิดจิตเกลียของคนอื่นมันก็ทำให้เราเห็นตัวเองนะเวลาเราพูดไปแล้วคนส่หัวเนี่ยนะมาแสดงว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันไม่เข้าท่านะนั้นการรู้จักมองผู้อื่นเนี่ยมองภายนอกนี้มันก็มีประโยชน์เหมือนกันนะที่ทาให้เราเห็นตัวเองที่จริงในสติปัฏฐานสีเนี่ยนะ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 กายในกายภายในคือเราเน่ยแหละคือกายของเรานั่แหละส่วนกายในกายภายนอกก็คือกายของคนที่อยู่รอบตัวเราในการที่เราเห็นสังเกตเห็นสังเกตร่างกายอากกับกิริยาของคนที่อยู่ข้างนอกหรือคนที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมันก็ทาให้เราเห็นตัวเราเองได้เหมือนกันเช่นเดียวกันถ้าเราถ้าเรารู้เวทนาหรือเข้าใจเวทนาของ